นัตถิกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรำไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานานานาชาติให้ฟังอีกสักชุดหนึ่งครับเป็นนิทานจากประเทศอินเดียครับชื่อกษัตริธรรมินเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยอดีตการครั้งที่ชาวโลกยังโปรดปรานการไล่ล่าอาณานิคม ต้องการเป็นหนึ่งบนโลกนี้พระเจ้ารามจักรกษัตริย์ใจสิงห์ผู้ชื่นชอบในการทําสงครามเป็นพระราชาผู้กระหายเลือดแผ่อนณาเขตการปกครองออกไปอย่างไพศาลพระมเหสีคู่บา ร, รมีทรงไม่เห็นด้วยที่พระเจ้ารามาจักรเข็นฆ่าผู้คนทําลายชีวิตผู้อื่นเพื่อมาสังเวยบาลังอันทรงอํานาจถึงแม้พระนางจะทรงทัดทานให้พระสวามีหยุดทําบาปได้แต่ก็ไม่เป็นผล เมื่อไรที่พระองค์จะหยุดเรื่องประหัตประหารกันสักทีและเพคะเพียงเท่านี้อาณาจักรของเราก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่ได้เห็นด้วยที่พระองค์สูงสักขึ้นด้วยเลือดด้วยชีวิตแต่ไม่มีใครกล้า พ, พูดเพราะเขาเกรงกลัวในอำนาจของพระองค์สิ่งที่ประชาชนทั้งหลายต้องการไม่ใช่อำนาจแต่เขาต้องการความสันติและความสงบต่างหากและเพคะพระองค์พี่ต้องการเป็นใหญ่ในโลกนี้ ประชาชนทั้งหลายก็เหมือนกันทุกคนอยากจะมีมรดกให้ลูกให้หลานกันทั้งนั้นน่ะน้องหญิงไม่ต้องมากังวนใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ชายน้องหญิงอย่ามาข้องเกี่ยวพระองค์ตวาดเสียงแข็งด้วยพระไทยที่กุ่นเคืองใครก็ไม่สามารถห้ามปรามจิตใจที่แสวงหาข่าวเลือดของพระองค์ได้ต่อมาพระมเหสีให้กําเนิดพระโอรสทุกคนต่างก็ยินดีปรีดากันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระเจ้ารามาจักรทรงรับสั่ง ให้หุนประจําราชสำนักเข้าเฝ้าเพื่อตรวจดูดวงชะตาท่านหุนท่านดูชะตาลูกชายเขาเราหน่อยสิในภายภาคหน้าลูกชายเขาเราจะยิ่งใหญ่เหมือนหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเพียงไหนหัราธิบดีก็ไล่คาถาก่อนจะตรวจดูดวงชะตาของพระโอรสหุนั่งนิ่งเฉยอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะทูลกับพระเจ้ารามาจักรถึงดวงชะตาที่บัทอนอํานาจบา ร, รมีของพระโอรสองค์นี้ ทันทีที่พระราชาผู้อมหิตได้ฟังก็ทรงกริว้วใครก็ตามที่มันขัดขวางความเจริญของข้ามันผู้นั้นจะได้ชื่อว่าศัตรูลูกนนั้จะต้องเคารพนับถือผู้บังเกิดกล่าวในเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นข้าก็จำเป็นจะต้องประหารมันทิ้งเสียพระเจ้ารามาจาักรสั่งให้ทหารนำตัวพระโอรสไปประหารชีวิตแล้วให้นำพระศพมาเป็นสักขีพยานพระมเหสีที่โศกเศร้าประทัยยิ่งกว่าใครทรงกอดโอรสไม่ยอมปล่อย ปัดป้องจากทหารนางกระเสือกระสนตามไปแย่งราชโอรสคืนแต่ก็สุดจะทานกำลังทหารได้พนางก็ทรงกันแสงจนเป็นลมสิ้นสติไปในขณะที่ใครๆต่างก็เข้าใจว่าพระโอรสผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองได้สิ้นพระชนไปแล้วเวลาเดียวกันโหราจาร์ผู้ทรงฤทธิ์ก็ได้ใช้เวทมนต์กำ บ, บังกายแยกโอรสพระองค์จริงไว้ แล้วก็เนรมิตรราชโอรสจำแรงแทนโดยไม่มีใครรู้แม้แต่พระนางจันทราเทวีผู้เป็นพระราชมารดาก็โศกเศร้าเสียใจแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามหลังจากนั้นไม่นานหัวราชานก็ได้ลาออกจากราชสำนักโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเสร็จแล้วเขาก็พาราชโอรสไปชุบเลี้ยงไว้ในป่าเขาถ้ำกลางความงามของธรรมชาติ ปลูกวังความดีความงามแล้วก็วิชาอาคมให้แก่เจ้าชายธรรมจักรจนเป็นคนที่มีความสุ ข, ขุมเยือกเย็นมีความเมตตาปราณีจบจนพระองค์เจริญวัยเป็นหนุ่มร่างกายกำยำหุนก็ได้เล่าความจริงแต่หุนหลังให้ฟังวันหนึ่งเจ้าชายได้ข่าวว่าพระเจ้ารามจักรจะยกทัพมุ่งไปตีเมืองที่คิดแข็งข้อโอราจานทร์ก็เลยเรียกเจ้าชายเข้าไปพบโดยมีเจตนาจะให้เจ้าชายไปหยุดทัพของพระราชบิดาไว้ พราพระราชาในวัยกลางคนควรจะหยุดทำบาปแต่เพียงเท่านี้อย่าให้คราบเลือดและซากศพต้องมาถาโถมลงสู่ผื้นดินอีกเลยครั้นเมื่อพระเจ้ารามาจักรยกทัพเดินหน้าเพื่อจะไปปราบศัตรูรเจ้าชายธรรมจักรซึ่งเป็นพระโอรสก็ทรงใช้เวทมนต์คาถาเสกใบไม้ให้เป็นกองทัพทหารจำนวนมหือมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามตำราพิชัยสงครามขวางหน้ากองทัพพระเจ้ารามาจักไว้ พระราชาผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ในศึกสงครามไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยสั่งตีตะลุยฝ่าออกไปทันทีแต่ไม่นานนักทัพของพระเจ้ารามาจักรก็แตกเจ้าชายธรรมาจักรโอรสควบวมากขึ้นมาถึงทัพหลวงเห็นสีหน้าที่เสี้ยเซียวของพระราชบิดาที่ถูกทหารชั้นเลวจับมัดไว้ก็ส่งพระสวนขึ้นเนี่ยหรือพระเจ้ารามาจักรผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ใครกลับถูกทหารชั้นเลวในกองทัพเขาฆ่าจับได้ ท่านเที่ยวเข็นฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มามากมายในวัยชราท่านก็ไม่คิดที่จะยุติสงครามในวันนี้เมื่อท่านอยู่ในฐานะผู้พ่ายแพ้ข้าก็จะให้ทหารตัดหัวแล้วก็เสีประจานไม่ให้ใครทำเป็นเยี่ยงอย่างท่านจะให้ทหารชั้นเหลียวประหารข้าในฐานะเฉลยศึกหรืออย่างไรมันผิดกฎศึกระหว่างประเทศนะท่านประหารข้าไม่ได้นะฮ ที่ท่านยังกลัวตายแล้วร้อยพันชีวิตที่ต้องดับศูนไปเพราะความโปรดปรานการทําศึกของครามของท่านเราคิดว่าเขาไม่รู้จักกลัวตายกันบ้างหรืออย่างไรข้าจะไม่ฆ่าท่านตอนนี้ก็ได้ส่วนทหารที่ล้มตายไปนั้นข้าก็จะชุบชีวิตให้กับเขาใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรหลังจากศึกสงบลงเจ้าชายธรรมจักรโอรสก็นําตัวพระเจ้ารามจักรเข้าป่าเพื่อไปมอบกับผู้ราจาน แต่ในระหว่างการเดินทางพระเจ้ารามาจากกักรนึกชื่นชมในวิชาอาคมที่แก่งกล้าของชายหนุ่มผู้นี้แล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่หุนหลังเมื่อไปถึงกระท่อมกลางป่าทันทีที่พระเจ้ารามาจาักเห็นหราจารย์อดีตบริพันธ์ในพระราชสำนักก็ทรงแปลกพระไทยโหัวาจารย์จึงเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังพระเจ้ารามาจักดีพระไทยแล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยคิดร้ายกับพระอุรสในสายโลหิต โอ้ oh, ลูกพ่อเอ้ยพ่อขอโทษที่เคยคิดฆ่าลูกนะยกโทษให้พ่อเถอะพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้าเติบโตขึ้นแล้วเป็นคนดีอย่างนี้กลับวังไปกับพ่อเธอนะพ่อเห็นที่จะต้องลงจากบัลลังก์เสียแล้วแม่เจ้าคงจะดีใจมากหากรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าชายธรรมจักรก็ปรึกษากับโหราจารย์แล้วจึงยินดีกลับไปพร้อมกับพระราชบิดา แต่หัวราชกาสมัครใจที่จะใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายที่กลางป่าแห่งนี้เมื่อกษัตริย์และพระโอรสกลับถึงวังพระมเหสีก็ทรงดีพระทัยอย่างเปี่ยมล้นที่ได้ทอดพระเนตรพระพักของเจ้าชายอีกครั้งหนึ่งชาวเมืองต่างก็ดีใจเฉลิมฉลองกันใหญ่โตที่ได้กษัตริย์องค์ใหม่ที่จะปกครองบ้านเมืองและประชาชนด้วยความสงบร่มเย็นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสงครามนอกจากจะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน แผ่นดินน้องไปดย้ยเลือดแล้วยังไม่ทำให้เกิดผลดีแก่ใครเลยคนที่ถูกอำนาจครอบงำจนไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วไร้จิตสำนึกคนผู้นั้นสามารถเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งญาติพี่น้องพ่อแม่และลูกได้เป็นบาปอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรจะปล่อยให้อำนาจอยู่เหนือจิตใจที่ฝ่าดีเพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคมโลกครับ นิทานจากออสเตรเลียครับเรื่องหนุ่มแพนจรกับสุนัขสามตัวเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพตนเองด้วยการทำนาข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวสาลีครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวฝ่ายแม่เมื่อลูกทั้งสองคนเติบโตขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็ตายจากไป จากนั้นไม่นานพ่อก็เริ่มล้มเจ็บด้วยพิษไข้แล้วก็ตายตามแม่ไปแต่ก่อนตายพ่อได้สั่งเสียแก่ลูกทั้งสองคนบอกว่าเ อ, อพ่อมีลูกอยู่เพียงแค่สองคนดังนั้นมรดกซึ่งก็คือที่นาและทรัพย์สินอื่นๆก็ขอให้เจ้าทั้งสองแบ่งกันเองอย่างปรองดองนะลูกจนเมื่อพ่อมาตายจากไปแล้วเดวิดพี่ชายก็บอกกับเทเรซ่าน้องสาว ว่าสมบัติทั้งหมดนะ่ะพี่จะยกให้น้องขอให้ดูแลรักษาให้ดีพี่ขอแค่ม้าตัวเดียวแล้วก็จะไปแสวงโชคเอาดาบหน้าก็แล้วกันหากยังไม่พบหนทางที่ร่ำรวยพี่จะไม่ยอมกลับมาเป็นเด็ดขาดแล้วเดวิดก็จากน้องสาวมาด้วยม้าเพียงตัวเดียววันหนึ่งขณะที่เขาแวะพักข้างทางก็มีชายชาราคนหนึ่งจูงสุนัขเดินผ่านมาเมื่อพบเดวิดชายชาราผู้นั้นก็เอ่ยปากทักทาย ว่ายังไงละพอหนุม่มเอยมาจากไหนละเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนเหรอเดวิด <David S 1> ก็ตอบไปตามความจริงว่าเขาเองก็ยังไม่มีจดหมายปลายทางที่จะไปเสร็จแล้วชายชาราก็เอ่ยปากขึ้นบอกว่าข้ามองดูม้าของเจ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นม้างามไม่เสเล่นเลยเอาอย่างนี้ดีไหมข้าชอบม้าของเจ้าจึงอยากจะขอเอาสุนัขทั้งสามตัวของข้าแลกกับม้าของเจ้า โอ้ยไม่ได้หรอกลุงทุกวันนี้ก็หากินได้ลําบากเต็มทีแล้วแค่แคมาตัวเดียวว่าใครยังเลี้ยงไม่ค่อยจะไหวเลยแล้วถ้าเป็นสุนัขถึงสามตัวนะใคจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงได้แต่แม่มันก็ยังดีที่มันหาหญ้ายกินเองได้แต่สุนัขสามตัวของข่าเนี่ยไม่ใช่สุนัขธรรมดาอย่างที่เจ้าคิดนะแต่มันกลับทําอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างเจ้าตัวแรกนี่มันชื่อเจ้าอิ่มเอ็ม ถ้าหากว่าพ่อหนุ่มต้องการจะกินอาหารชนิดไหนเจ้าตัวนี้จะหามาให้ได้ส่วนตัวที่สองชื่อเจ้ากำบังจะช่วยทำให้ใครๆมองไม่เห็นตัวเจ้าได้เจ้าตัวที่สามนี่ชื่อกล้าแกร่งเจ้าตัวนี้มีพละกกำลังมหาศาลไม่ไว่าจะเป็นอะไรก็ไม่สามารถจะต้านทานแรงของเจ้านี้ได้หรอก คำพูดของชายชาราทำให้เดวิดหัวเราะ อ, ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เพราะคิดว่าชายชาราคนนี้ช่างสรรหาเรื่องพิสดารสารพัดเพื่อจะมาหลอกเอาม้าจากเขาแต่เพราะความสงสารเท่าก็เลยบอกกับชายชาราบอกว่าอืมแต่ก็เอาเถอะลุงถ้าลุงอยากจะได้ม้าของข้าข้าควรจะยกให้เอาเป็นว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันเพียงแต่ว่าลุงต้องรับปากข้านะว่าลุงต้องรักม้าตัวนี้ให้เท่ากับที่ข้ารักมันนะ ชายชราก็รับปากอย่างรวดเร็วแล้วทั้งสองก็แลกเปลี่ยนม้าแล้วก็สุนัข ก, กันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเมื่อรับตาชายชรามาแล้วเดวิดก็อยากจะลองทดสอบดูว่าสิ่งที่ชายชราพูดมานะมันเป็นความจริงหรือเปล่าก็เลยพูดกับเจ้าอิ่มเอมบอกว่านี่เจ้าอิ่มเอมตอนนี้ข้าหิวแล้วนะเจ้าจงไปหาอาหารอร่อยๆมาให้ข้าสักมือ้อนึงสิสิ้นคําสั่งเจ้าอิ่มเอมก็หอนขึ้นหนึ่งครั้ง ทันใดนั้นอาหารดีๆมากมายก่กองก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเดวิดทำเอาเดวิดถึงก็ตกตะลึงในความมหัศจรรย์ น, นี้แล้วเขาก็แบ่งอาหารเหล่านี้ให้กับสุนัขสามตัวจนเมื่ออิ่มเอิมกันแล้วทั้งคนทั้งสุนัขเดวิดก็จูงสุนัขสามตัวเดินต่อไปในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งแม้ว่าเมืองนี้จะดูแล้วมีประชาชนมากมายก็จริงอยู่ แต่ประชาชนเหล่านั้นก็ดูไม่มีความสุขทักเท่าไหร่อีกทั้งยังดูแล้วเหมือนมีความหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้คุยกับชาวบ้านแถบชานเมืองแล้วเดวิดจึงได้รู้ว่าเมืองนี้เพิ่งจะมีการผลัดแผ่นดินใหม่โดยที่ขุนนางคนหนึ่งก่อการกรบฏโดยการจับเอาพระราชาและพระมเหสีรวมทั้งพระธิดาไปขังคุกไว้แล้วตัวขุนนางก็ตั้งตัวขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่โดยที่ไม่มีรัษฎรคนใดชอบเลย อืมได้เวลาลองของอีกแล้วสิเราอืมเดวิดคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดจะทดสอบความสามารถของเจ้าสุนัขอีกสองตัวที่ชื่อกำบังแล้วก็กล้าแกร่งนั่นเองก็เลยกล่าวกับสุนัขทั้งสองตัวว่านี่เจ้ากำบังเจ้าจงพาข้าเข้าไปในเมืองโดยที่ไม่ให้ใครเห็นตัวข้าเพื่อให้ข้าไปช่วยพระราชาแล้วก็ข่าเจ้าขุนนางผู้ก่อกบวเสียเจ้ากล้าแกร่งไปทําลายห้องขังนะ ได้ยินอย่างนั้นเจ้ากำบังก็หอนขึ้นสามครั้งจากนั้นมันก็พาเดวิดก็ไปยังเขตเมืองโดยที่ไม่มีใครมองเห็นเดวิดเลยแม้ว่าเขาจะแกล้งเดินชนคนนั้นคนนี้แล้วก็ตามเดวิดเดินผ่านเข้าไปยังพระราชวังชั้นในโดยที่ไม่มีทหารคนใดมองเห็นจนในที่สุดก็สามารถเข้าไปถึงคุกที่คุมขังพระราชาพระราชินีและพระธิดาเดวิดก็เลยบอกกับเจ้ากล้ากแกร่งบอกว่าเอา้าเจ้ากล้ากแกร่งทำหน้าที่ของเจ้าได้แล้ว ว่าแล้วเจ้ากราดแรงก็เข้าไปง้างเหล็กห้องขังออกมาอย่างง่ายได้จากนั้นก็ช่วยทั้งสามพระองค์ออกมาเดวิดก็บอกกับทั้งสามว่าจะเข้ามาช่วยเหลือให้ปลอดภยัยแล้วจะกำจัดผู้ก่อกรบฏให้เองเดวิดพาเจ้าสุนัขทั้งสามตัวเข้าไปขว้าต้อนทหารทุกคนรวมทั้งขุนนางผู้ก่อการกรบฏ ด, ด้วยทั้งหมดตกใจมากเพราะมองไม่เห็นแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นจนบางคนถูกสุนัข ก, กัดเขาบ้าง แต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตนเองเจ็บปวดเพราะอะไรในที่สุดทั้งหมดก็ถูกต้อนเข้าสู่ห้องขังเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเดวิดยังได้ไปเชิญพระราชาพระราชินีและพระธิดาออกมาว่าราชการและจัดการกับผู้ก่อการกรบฏโดยตัดสินประหารชีวิตส่วนผู้อื่นที่อาจจะร่วมก่อกกบฏแต่ยอมกลับใจพระราชาก็ปล่อยตัวไว้ชีวิตให้แล้วจึงมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเดวิด นั่นก็คือการยกพระธิดาให้ได้แต่งงานกับเดวิดนั่นเองเดวิดนึกขอบใจเจ้าสุนัขสามตัวเป็นอย่างยิ่งคิดไปว่าชาชาราผู้นั่นคงจะเป็นทวดาแปลงลงมาช่วยเขาเป็นแน่แต่ทันใดนั้นสุนัขทั้งสามตัวก็หอนขึ้นพร้อมกันแล้วก็หายตัวไปทันทีจากนั้นเดวิดก็ครองรักกับพระธิดาอย่างมีความสุขโดยที่เดวิดได้ไปรับน้องสาวของเขามาอยู่ด้วยกันในพระราชวัง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์วันนี้รวยพรุ่งนี้อาจจะจนก็ได้ขอเพียงให้ยึดมั่นที่จะคิดดีทำดีแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะกลับคืนมาหาเราเองครับ นิทานนานาชาติเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องทอมหัวแม่มือครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนตัดไม้แก่ๆอาศัยอยู่กับภรรยาทั้งสองนี่ยากจนแต่ก็มีความสุขแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเรื่องของความดีและมีเมตตาคนทั้งสองจะให้การต้อนรับนักเดินทางด้วยอาหารแล้ก็ให้พักผ่อนข้างๆเตาผิงในกระท่อมหลังเล็กแต่สุขสบายของพวกเขา เช้าวันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งเดินแบกพืนมัดใหญ่ส่วนเซมาตามทางเดินในป่าแล้วก็มาหยุดหน้ารั้วกระท่อมภรยาของคนตัดไม้แลเห็นนางก็เชิญหญิงชราเข้ามาในกระท่อมเชิญพักผ่อนตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันจะนำซุปมาให้หญิงชรายิ้มอย่างลึกรับแล้วก็ขอบคุณภรยาคนตัดไม้ผู้ใจดี ขณะที่ตะวันเริ่มพล่เพลชายตัดไม้ก็หยุดทำงานประจำวันของเขาแล้วกลับมาอย่างกระท่อมมาร่วมสนทนากับภรรยาแล้วก็หญิงชราซึ่งนั่งอยู่ข้างเตาผิงสักพักหนึ่งหญิงชราก็ขยับตัวแล้วก็บอกว่าเออภรรยาของคุณดีต่อฉันมากเขียวเราะคนตัดไม้และตอนนี้ฉันจะต้องเดินทางต่อไปแล้วละ่ะ ชายตัดไม้ได้ยินอย่างนั้นก็ลุกไป่วยตะเกียงแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะหยิบตะเกียงแล้วก็เดินไปเป็นเพื่อนยายจนพ้นป่าออกไปนะเพราะว่ามันมืดเกินกว่าที่ยายจะเดินทางคนเดียวทันใดนั้นแสงประหลาดก็ปรากฏขึ้นในห้องเล็กๆนั้นดูเหมือนว่าหญิงชราหายไปแล้วก็นางฟ้าสวยงามองค์หนึ่งมายืนแทนที่คนตัดไม้และภรี ย, ยืนจ้องด้วยควา ม, ม ง, งุนงงนางฟ้าก็ยิ้มให้แก่คนทั้งสองก่อนที่จะพูดบอกว่า มันเหมือนกับที่ฉันเคยได้ยินมาเลยพวกเธอเป็นคนที่ใจดีที่สุดจริงๆความเมตตาอย่างนี้สมควรจะได้รับรางวัลอธิษฐานสิแล้วเธอก็จะได้อะไรตามที่เธอปรารถนาคนตัดไม้กับภรรยายก็มองหน้ากันด้วยความแปลกใจเออเราอยากจะมีลูกเล็กๆของเราเองสักคนอยู่เสมอนางฟ้าก็โบกคาถาของเธอแล้วก็ยื่นเบือออกมาในนั้นมีมันห่อลูกหนึ่ง เอานี่นะพรุ่งนี้เช้าขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเธอจงปอกเปลือกมันเสร็จแล้วนางฟ้าก็หายตัวไปชายตัดไม้กับภรรยาวางลูกมันห่อลงกลางโต๊ะแล้วก็เข้านอนในตอนเช้าขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาพลนยอดไม้คนตัดพืนในภรรยาก็เปิดเปลือกมันห่อ และภายในนั้นก็มีทารกตัวเล็กที่สุดและน่ารักที่สุดที่ทั้งสองเคยเห็นนอนหลับอยู่อย่างมีความสุขพวกเขาตั้งชื่อทารกนั้นว่าทอมหัวแม่โป้งเพราะว่าตัวเขาไม่ใหญ่เกินกว่านิ้วโป้งของพ่อของเขาเลยทั้งสองรักทอมมากหลายปีผ่านไปทอมก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่แข็งแรงแต่เขายังคงตัวเล็กเท่านิ้วโป้งอยู่เหมือนเดิมเสื้อผ้าทุกชิ้นของเขา ภรยาคนตัดไม้เป็นคนเย็บให้เพราะไม่สามารถจะไปหาซื้อเสื้อผ้าขนาดที่ทอมใส่ได้เลยไม่ว่าที่ใดในอาณาจักรเด็กชายตัวน้อยๆไม่เคยเป็นกังวลกับขนาดของตัวเขาเองเขาสามารถใช้ใบไม้มาทําเป็นเรือแล้วก็ล่องลอยไปมาในอ่างเลี้ยงปลาทอมแทบไม่เคยก่อเรื่องเดือดร้อนใดๆแต่มีเหตุโชคร้ายบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทําให้เขาหวังว่าเขาควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ วันหนึ่งขณะที่ภรยาคนตัดไม้กำลังทำขนมเค้กทอมซึ่งกำลังเล่นอยู่ในสวนได้กลิ่นหอมอร่อยของขนมก็ทำให้เขาน้ำลายสอเขาก็ปีนขึ้นทางต้นไม้เลื้อยริมกำแพงแล้วก็ปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างที่นั่นบนโต๊ะติดหน้าต่างก็มีเครื่องปรุงอร่อยทั้งหลายที่ภรยาคนตัดไม้เตรียมไว้ใส่ขนมเค้กมีเปลือกผลไม้เชื่อมแล้วก็ลูกเกดมีขวดพุทราฝรั่งเชอร์รี่แล้วก็น้ำเชื่อมเหนียว ขณะที่ทอมชะโงกตัวไปหยิบผลไม้เขาเกิดเสียหลักตีลังกาตกลงในชามผสมขนมภรยาคนตัดไม้ไม่เห็นว่าทอมตกลงไปเมื่อนางหันกลับมานางก็เห็นว่าส่วนผสมของขนมเค้กกำลังกวนเข้ากันอยู่แล้วในชามก็มีเสียงแปลกๆอุย้ยมีอะไรน่าเกลียดเข้ามาอยู่ในชามเนี่ยเสร็จแล้วนางก็โยนชามออกไปนอกหน้าต่างชามซึ่งมีทอมที่น่าสงสารอยู่นั้นก็ตกลงสู่ลำธารที่ไหลผ่านกระท่อมและจมลง ทอมลืมตาขึ้นพบว่าตัวเขากําลังจ้องมองเขามาได้ดวงตาปลาใหญ่ตัวหนึง่งซึ่งมันได้เปิดปากอย่างรวดเร็วและกลืนทอมลงไปในอึกเดียวทอมก็ตะโกนเรียกแม่อย่างสิ้นหวังเขาไม่เคยรู้สึกหมดหวังอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ร้องไห้อย่างคืนขมกับโชคชะตาร้ายของเขาช่วงขณะนั้นในวังของพระราชาหัวหน้าคนครัวกําลังนั่งอย่างเศ้าซ้อยอยู่ในครัวพระราชากําลังจัดงานเลี้ยงแขกพิเศษในคืนวันนั้น และพ่อครัวได้รับคำสั่งให้จัดอาหารพิเศษชายที่น่าสงสารกำลังจนปัญญาที่จะคิดหาอาหารจานใหม่ซึ่งจะนำความไม่พอใจให้กับพระราชาไม่ช้าพวกพ่อค้าก็เริ่มมาถึงพร้อมด้วยสินค้าที่สั่งมาสำหรับงานเลี้ยงและพ่อครัวกับพวกลูกมือก็เริ่มทำความสะอาดจัดเตรียมอาหารมากมายหลายร้อยประเภทพ่อครัวก็เลือกปลาสดที่เพิ่งจะถูกตกขึ้นมาเขาผ่าปลาตัวใหญ่ที่สุดเพื่อทำความสะอาดโดยทันที ทำได้กล้าออกมาจากท้องของปลาพ่อครัวก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งทอมขยี้ตากระพริบตารับแสงสว่างหลังจากอยู่ในความมืดมาเป็นเวลานานเห็นพ่อครัวยืนยิ้มอยู่อย่างไรก็ตามทอมก็เปิดหมวกให้อย่างสุภาพตามที่แม่ของเขาเคยสอนพ่อครัวก็ร้องขึ้นบอกว่าโอ้นี่คืออาหารจานพิเศษจัดขึ้นถวายพระเจ้าแผ่นดินทีเดียว คือนั่นขณะที่พระราชาและแขกของพระองค์กำลังเลี้ยงฉลองกันแล้วก็อาหารทุกจานได้ผ่านพ้นไปแล้วพ่อครัวได้ออกมาปรากฏตัวพร้อมได้จานใส่ปลาเขาวางจานลงบนโต๊ะพระราชาก็ทร ง, งเฉงเอมองที่จานเ อ, อ๊ะมันก็ไอปลาธรรมดาธรรมดานี่เองพ่อครัวก็บอกโอ้ไม่ใช่หลพระเจ้าค่านี่ไม่ใช่ปลาธรรมดาทันทีนั้นขากรรไกรของปลาก็เปิดออกและทอมหัวแม่มือก็ได้ก้าวออกมา พระราชาทรงปิติยินดีและแขกของพระองค์ต่างมีความชื่นชมและประหลาดใจพวกเขาก็พากันลุกขึ้นยืนและปรบมือตั้งแต่นั้นทอมก็ได้กลายเป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระองค์มีบัญชาให้ช่งางไม้ทําเครื่องเรือนเล็กๆสําหรับทอมและเด็กชายตัวน้อยก็ได้ร่วมกินอาหารบนโต๊ะของพระราชาช่างตัดเสื้อฝีมือดีที่สุดในแผ่นดินได้ถูกเรียกตัวมาตัดชุดเล็กๆด้วยเสื้อผ้าดีที่สุด ทอมได้รับหนูสีขาวสวยซึ่งถูกฝึกแล้วสำหรับเป็นพาหนะทอมหัวแม่มือได้รับความสุขสบายที่สุดในชีวิตจนทำให้เขาลืมบ้านและพ่อแม่ที่แท้จริงไปเกือบหมดวันหนึ่งขณะที่ทอมกำลังขี่หนูขาวไปรอบๆวังเจ้าแมวในวังซึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานของพระราชามองเห็นเข้ามันก็แยกเคี้ยวใส่ทอมด้วยความโกรธแค้นเพราะมันริษยาทอมมันก็โจรเข้าใส่ทอมโดยทันที ทำให้หนูขาวที่ทอมขี่อยู่ตกใจโดดหนีจนเป็นเหตุให้ทอมพลัดตกลงมาทอมก็รีบชักดาบด้ามเล็กของเขาออกมาแล้วก็ตรึงเจ้าแมวร้ายไว้ที่มุมห้องจนกระทั่งมหาเล็กคนหนึ่งเดินผ่านมาพบแล้วก็ไล่แมวออกไปทอมจึงเป็นลมลม้ลมลงแล้วก็ได้ถูกนําตัวไปยังเตียงนอนของเขาแพทย์หลวงได้ถูกตามตัวมารักษาทอมพวกเขาพากันสั่นศีเสาด้วยความท้อแทะโดยมีพระราชา ประทับนั่งอยู่ด้วยความกระวนกระวายพระไทยทอมไม่มีความอยากอาหารเลยแม้ว่าพวกพ่อครัวจะพยายามปรุงอาหารรสเลิศมาให้ทอมก็กินไม่ลงทอมจึงคูนทูลขอร้องต่อพระราชาที่จะกลับบ้านเพราะเขารู้ดีว่าซุปที่แม่ของเขาปรุงเนี่ยจะช่วยให้เขากลับมีชีวิตชีวาขึ้นได้โอ้ได้สิทอมเจ้าจะได้กลับบ้านแต่ว่าบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะทอมก็สั่นหัวอย่างเศร้าส้อยเพราะเขาไม่รู้ พระราชาทรงมีบัญชาให้มหาเล็กออกไปสืร์ฟหาบ้านน้องทอมทั่วทั้งราชาอาณาจรรักรแต่ก็ไม่มีใครค้นพบเลยหลายวันผ่านไปถอมได้แต่นอนซมอยู่ในเตียงจ้องมองไปทางหน้าต่างอย่างกระสับกระส่ายแล้วก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้กลับไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของเขาเขารำพึงบอกว่าถ้าเพียงแต่ฉันจะเป็นเด็กดีกว่านี้มันเป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันไม่พยายามที่จะขมโมยขนมของแม่ เหตุการณ์เหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันแทๆ้ๆทันใดนั้นเองนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นดังปาฏิหาริย์ยิ้มให้ทอมแล้วก็บอกว่าในที่สุดเจ้าก็ได้รับบทเรียนแล้วมาสิทอมฉันจะพาเจ้ากลับบ้านในชั่วพริบตาทอมก็ได้พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนตักของแม่และมองเห็นพ่อกาลังนั่งน้าตาคลออยู่ที่เก้าอี้ตรงกันข้าม ทั้งสองคนร้องไห้มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะับตั้งแต่เมื่อทอมหายตัวไปการได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้ากันอีกทําให้ทั้งหมดมีความสุขแล้วทอมก็ได้จดจําบทเรียนที่เขาได้รับอยู่เป็นนิดและพยายามอยู่เสมอที่จะทําตัวเป็นคนดีแล้วก็รู้จักยั้งคิดที่จะทําตัวดีต่อพ่อแม่เหมือนดังที่พ่อแม่ทําดีต่อเขาชายตัดไม้และภรรยาของเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราชอาณาจักรเมื่อพวกเขากลายเป็นแขกประจําของวัง โดยการพาบุตรชายตัวเล็กเท่าหัวแม่มือของเขาไปร่วมดื่มน้ำชากับสหายของเขาก็คือพระราชานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความใจดีมีเมตตาให้ผลตอบแทนที่หอมหวานสำหรับชีวิตรเราเสมอครับ